ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้โดยคุณปราโมทหรือพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชในปัจจุบันถามท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเทระสอนธรรมไว้ประการหนึ่งว่าพระสัทธรรมเมื่อเข้าไปตั้งอยู่ในจิตของปุถุชนก็ย่อมกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปปัญหาก็คือ เหตุใดจิตของปูทุชนจึงทรงพระสัตรธรรมของแท้ไว้ไม่ได้ตอบจิตปูทุชนไม่เหมาะกับการรองรับพระสัตยธรรมก็เพราะยังมีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นสุดโต่งระหว่างสัตสตทิฏฐิหรือความมีอยู่ถาวรกับอุทเฉตทิฏฐิหรือความขาดศูญทั้งยังประกอบด้วยสักกายาทิฏฐิคือความเห็นว่าขันห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตว่าเป็นเรา การกำหนดจดจำทำใดๆไว้ในจิตจึงอดไม่ได้ที่จะเจือความเห็นผิดหรือการตีความทำอย่างผิดๆเอาไว้ด้วยเรื่องของมิจฉาทิฏฐินั้นหากเกิดขึ้นกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมเป็นอกุศลจิตเสมอในความเป็นจริงแล้วจิตของปุถุชนมักจะเป็นเพียงอกุศลจิตและวิบากจิตเท่านั้นน้อยนักจะเป็นกุศลจิตได้อย่างแท้จริงเว้นแต่จะเป็นกุศลจิตแบบอนุโลมเอา เช่นผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาไครครวนตามก็พอจะน้อมใจเชื่อตามสัมมาทิฏฐิได้บ้างในขณะสั้นๆแต่เมื่อใดไม่ไครครวนไม่สำรวมระวังความคิดมิจฉาทิฏฐิก็กลับมาครอบงามจิตอีกโดยง่ายคือจะเกิดความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรากายนี้เป็นเราคนก็เป็นคนสัตว์ก็เป็นสัตว์จริงๆและหากพิจารณาในด้านของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับจิต ก็จะพบว่าจิตของปุถุชนนั้นโอกาสที่จะเกิดกุศลจิตจริงๆคือไม่มีอกุศลในจิตเป็นไปได้น้อยยิ่งเพราะเว้นแต่วิบากจิตเสียแล้วจิตส่วนมากก็จะถูกครอบงำด้วยโมหะเกือบตลอดเวลาแม้ในขณะที่ทําบุญทําทานศึกษาปฏิบัติธรรมจิตก็มักจะถูกโมหะครอบงำเอาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสมอๆตัวมิจฉาทิฏฐิก็เป็นโมหะตัวกิเลสครอบงาจิตก็เป็นโมหะ รวมความแล้วโมหะนี้เองเป็น่าสึกอย่างร้ายกาจทีเดียวจิตของปุถุชนแทบไม่มีเวลาพ้นจากอำนาจของโมหะจึงไม่เหลือที่ว่างพอที่จะให้พระสัตว์ทำประดิษฐานลงได้จริงโอกาสที่จิตจะรอดจากโมหะมีไม่มากนะักเพราะจิตใจของเราเหมือนถูกขังอยู่ในเขาวงกตที่สลับซับซ้อนมากช่องทางที่จะหนีรอดมีเพียงช่องทางเล็กๆอยู่ช่องเดียว ถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าชี้ช่องทางนี้แล้วยากนักที่เราจะพบทางออกได้เองและช่องทางที่จะรอดจากโมหะหรือความหลงก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะหรือความไม่หลงนั่นเองเมื่อใดจิตเกิดสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นจึงเกิดกุศลจิตที่แท้จริงแต่พวกเราที่เคยฝึกเจริญสติสัมปชัญญะต่างก็ทราบซึ้งแก่ใจดีแล้วว่าเข้าใจยากและทายากเหลือเกิน ขนาดคนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้วและอยากทำก็ยังทำยากนับประสาอะไรกับคนที่ไม่มีศรัทธามาก่อนและไม่อยากทำด้วยเหตุนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงทรงทอพระทัยที่จะสอนการที่จะน้อมนำพระสัทธรรมเข้ามาประดิษฐานให้ถาวรในจิตก็ดีการที่จะเผยแผ่พระสัทธรรมไปสู่จิตของผู้อื่นก็ดีจึงเป็นงานที่ยากมาก เพราะต้องต่อสู้กับความไม่รู้ทั้งหลายของตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าพวกเราผู้มีโอกาสมากในสังคมไม่ตั้งใจทำงานนี้และจะผลักพาระการรักษาพระสัทธรรมไปให้ใครได้ล่ะครับดังนั้นอย่าประมาทนิ่งนอนใจหรือเบื่อหน่ายท้อแท้ให้เสียเวลาเปล่าให้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อน้อมนำพระสัทธธรรมเข้าสู่จิตใจให้ได้โดยทั่วกันทุกๆคนนะครับคุณปราโมทวันศุกร์ที่สามพฤศจิกายน 2,543 ถามในปัจจุบันนี้พระศาสนาอ่อนแอลงมากพระกรรมฐานดีๆก็มีเหลืออยู่ไม่มากนะักครูบาอาจารย์ต่างก็ค่อยๆมรณภาพกันไปสำหรับพระสงฆ์สามเณรอื่นๆที่เล่าเรียนปริยติธรรมก็ยังมีการเล่าเรียนกันอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือพระเนนเหล่านี้ท่านมักจะบวชไม่นานเพราะเวลานี้ กระแสะโลกมันแรงกด่กระแสะธรรมในฐานะที่เป็นคารวาดเราควรช่วยกันรักษาพระศาสนาอย่างไรบ้างตอบผมจึงกล่าวว่าการจะปล่อยภาระในการรักษาพระศาสนาไว้กับพระเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ปัญญาชนจะต้องศึกษาปฏิบัติและประกาศธํามให้มากด้วยแต่การเพิ่มบทบาทของปัญญาชนก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทอดทิ้งพระ เราจำเป็นต้องอุปถรัรมภ์บำรุงพระเนรเถนชีเอาไว้เพราะคารวาสนั้นแม้จะมีความรู้ดีแต่ที่จะทรงพระสัตยธรรมไว้ได้จริงก็มีน้อยยิ่งพระสัตยธรรมในขั้นละเอียดจริงๆแล้วยากนักที่คารวาสจะเข้าถึงได้ปัญญาชนผู้ใดศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงจุดที่พัฒนาต่อไปได้ยากในเพศคารวาสถ้ามีความพร้อมก็อาจจะไปบวชเพื่อศึกษาธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้น และทำประโยชน์ให้พระศาสนาให้มากขึ้นการสนับสนุนพระทำได้หลายทางไม่เพียงการอุปถรัรมภ์ด้วยปัจจัยสี่วงเล็บเปิดปัจจัยสี่ก็สำคัญนะครับเพราะอย่างพระในเมืองใหญ่ๆเวลาถึงวันอาทิตย์จะบินทบาทยากมากพระโยมไม่ตื่นวงเล็บปิดเช่นการช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของเหลือบศาสนาแล้วอารักขาช่วยส่งขจัดมารพวกนี้ออกไป และการไม่เข้าไปทำความวุ่นวายให้เสียเวลาของพระปฏิบัติเป็นต้นญาติโยมเข้าไปหาพระควรเข้าไปเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมจากนั้นก็รับไปปฏิบัติเอาเองมีปัญญาช่วยตนเองไม่ได้จริงๆจึงค่อยเข้าไปถามท่านใหม่ไม่ใช่คอยไปห้อมล้อมซักถามธรรมะไม่เลิกซึ่งผมสังเกตเห็นมานานแล้วว่าคนที่เอาจริงจะไม่ค่อยไปกวนครูบาอาจารย์และไม่ชอบรวมกลุ่มปฏิบัติธรรม แต่พยายามช่วยตัวเองเป็นลำดับแรกส่วนคนที่คอยแห่แหนห้อมล้อมครูบาอาจารย์นั้นน้อยรายนักที่จะปฏิบัติจริงจังการไม่เข้าไปกวนเวลาของพระก็เพื่อว่าพระที่ท่านยังไม่ถึงที่สุดจะได้มีเวลาเร่งความเพียรของท่านส่วนพระที่ท่านปฏิบัติพอแล้วท่านจะได้มีเวลาไปทำประโยชน์ตามปณิธานของท่านถ้าญาติโยมนิยมปฏิบัติธรรมด้วยการคุยธรรมะ รวมกลุ่มคุยกันเองยังไม่พอเที่ยวไปชวนพระคุยเสยอีกอันนั้นเป็นการทำลายโอกาสพัฒนาทั้งตนเองและของพระเนนเถนชีด้วยนั่นไม่ใช่หนทางจะลงพระพุทธศาสนาหรอกครับดูตัวอย่างนักปฏิบัติดีๆไว้ก็ดีครับคือต่างคนต่างศึกษาแล้วก็ไปตั้งใจทำเอาเองไม่ค่อยถามซอกแซกไปเรื่อยๆเป็นแบบอย่างเหมือนพระสมัยพุทธกาลเมื่อฟังธรรมแล้ว ก็แยกย้ายกันไปตามลำพังเพื่อทำกิจของตนเองคุณปราโมทวันศุกร์ที่สพฤศจิกายน2543ถามเราจะช่วยกันทำารงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรตอบถ้าพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของพระพุทธศาสนาในยุคที่เริ่มตั้งตัวนั้นจะพบปัจจัยอย่างน้อยสองประการที่ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง คือการได้รับการสนับสนุนและอารักขาจากอำนาจรัฐซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นอย่างหนึ่งและการมีบุคลากรทางพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาชนประเภทติดดินอีกอย่างหนึ่งความสื่อมโรมของพระพุทธศาสนาในอินเดียเกิดจากการอ่อนกำลังลงของอำนาจรัฐเนื่องจากการลุกรานของชนชาติอื่นแม้พระสงฆ์จะยังเป็นปัญญาชนแต่ก็เป็นปัญญาชนประเภทนักปรชัชญา ห่างเหินจากประชาชนไม่สามารถถ่ายทอดธรรมสู่ประชาชนได้จริงเมื่อมหาวิทยาลัยนาลันธาถูกทำลายปัญญาชนในวงการพุทธศาสนาก็หมดไปชาวบ้านซึ่งห่างไกลธรรมะก็ไม่อาจทรงพระศาสนาไว้ได้สำหรับพระพุทธศาสนาในบ้านเราเดิมก็ได้รับการอรารักขาจากพระมหากษัตริย์ทั้งพระภิกษุก็คือกลุ่มชนที่ได้รับการศึกษาดีที่สุดในสังคม แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนพระมหากษัตริย์แต่ไม่เคยใช้อำนาจนั้นในทางที่จะอารักขาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงกลับปล่อยให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองภายใต้พระราชบัญญัติเก่าแก่ส่วนกฎหมายอาญาที่จะคุ้มครองพระศาสนาก็ไม่มีอะไรมากกว่าการห้ามแต่งกายเรียนแบบสงฆ์หน่วยงานที่จะสนองงานของคณะสงฆ์ก็เป็นหน่วยงานระดับกอง ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการให้กับมหาเทราสมาคมเท่านั้นแม้แต่การศึกษาศาสนาบางยุครัฐบาลถึงกับยกเลิกหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่ารัฐไม่มีหน้าที่สอนศาสนาโดยลืมไปว่าพระพุทธศาสนาคือรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเวลาเกิดปัญหาอลัชชีขึ้นรัฐก็ปัดว่าเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่จะแก้ปัญหา เพราะถ้าไม่เข้าข่ายแต่งกายลีนแบบสงรัฐก็ทาอะไรไม่ได้ส่วนทางคณะสงก็แก้ปัญหาลำบากเพราะระบบการปกครองถูกกำหนดด้วยกฎหมายโบราณและขาดระบบงานและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมารองรับหากอารัชีมีผิดเรื่องโกงเงินก็จัดการง่ายหน่อยหากเป็นเรื่องเสพเมทุนก็ยากจะหาหลักฐานพยานมาเล่นงานได้เมื่อเกิดข่าวอารัชีชาวบ้านก็รู้เห็นกันทั่ว ส่วนการสอบสวนลงโทษกลับทาได้ยากลำบากใช้เวลามากเพราะกฎหมายและระบบงานไม่เอื้ออำนวยเรื่องเหล่านี้จึงเป็นอาหารปากของคนที่ไม่เข้าใจระบบการปกครองคณะสงฆ์แล้วส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาตามมาระลอกแล้วระลอกเล่าในส่วนคุณภาพของพระภิกษุสามเณรก็น่าเป็นห่วงเพราะส่วนมากเป็นผู้มีการศึกษาน้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ปัญญาชนในหมู่พระมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปัญญาชนในฝ่ายคาราวาสพระที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้จริงก็มีจำนวนน้อยส่วนมากก็จะบวชเพื่อรอโอกาสสึกถ้าไม่สึกก็มักจะเป็นเพียงผู้ให้บริการในด้านพิธีกรรมเท่านั้นที่จะเป็นกำลังประกาศพระศาสนาอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์หรือมีความรอบรู้และความสามารถในการประกาศพระศาสนาหาได้ยากเต็มที การจะทำรงรักษาพระศาสนาไว้จำเป็นต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งปวงจะไปหวังสิ่งใดจากรัฐหรือไปทิ้งภาระให้คณะสงฆ์ฝ่ายเดียวไม่ได้เราจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคือเป็นปัญญาชนให้กับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันสงฆ์หรือเป็นคารวาสก็ตามและคนเหล่านี้ต้องรู้จักการใช้สื่อใหม่ๆเช่นอินเทอร์เน็ตเพื่องานของพระศาสนา เพราะจะไปเผยแผ่ศาสนาแบบตั้งรับคือรอให้คนเข้าวัดไม่ได้อีกแล้วผมยังดีใจว่าได้มีส่วนช่วยให้ปัญญาชนยุคใหม่ที่จัดว่ามีกำลังในทางโลกได้มารวมตัวกันศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นปึกแผ่นพอสมควรขอให้พวกเราตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตอนเองให้ชัดเจนเถอะครับว่าอันที่จริงพวกเราคือกองหน้าของพุทธศาสนกชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมยุคใหม่เราไม่ใช่แค่นักท่องเน็ตอย่างไม่มีสาระแก่นสารไปวันหนึ่งวันหนึ่งและอย่าไปคิดว่าเราตัวแค่นี้จะช่วยพระศาสนาได้อย่างไรถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำประโยชน์อย่างใดไ ด, ได้ก็ขอให้ระลึกว่าหน้าที่ของเราในวันนี้คือการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ดีทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดเมื่อศึกษาดีแล้ว ก็จะช่วยลดมิจฉาทิฐิลงได้อีกหนึ่งคนแล้วขั้นต่อไปจึงค่อยคิดว่าจะสร้างผู้มีสัมมาทิฐิให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรผมเห็นว่าการช่วยกันสร้างผู้มีสัมมาทิฐินี้แหละคือการทำรงรักษาพระศาสนาที่มั่นคงและตรงตามพระพุทธประสงค์มากที่สุดคุณปราโมทวันจันทร์ที่ส0สิตุลาคม2543า